เรา มไม่เป็นจ เพราะแนโรไม่เค่อยรู้จักไม่ถ น, นักดิสโตเป็นไงจะเนดานเดินมาเลสไปตามสบายไม่ใส่ใจกับเขาเขาจะไปไหนก็ช่างใครไม่สนใจเพราะใจตรงกันสุขยังรา านานมามรนนไม่เปลี่ยนใจเมืดังสัญญาเรเข้ามาเป็นตาลิปโซ่ต้งเดืงดรุ่ม ง, ง, งเข้ามาได้ไมลาเป็นตาลิ